ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงลงอุคเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตปริวาสของภิกษุผู้ถูกสงลงอุคเขปนียกรรมนั้นใช้ไม่ได้